สัธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วสาธยายพระสูตรแล้วก็ฟังคำพูดเป็นส่วนประกอบอีกจิงที่พระเจ้าทรงสแสดงทรงสองสนเอามาเป็นการกระมในชีวิตของเรามีศรัทธาฟังแล้วต้องมีศรัทธามีความเพียร มีสติมีปัญญากำบังประกอบถ้าไม่มีศรัทธาก็ทำไม่ได้จะมาตึกหัดมาตั้งอยู่เพื่อมาให้ความเลือนเกิดขึ้นกับชีวิตเราแต่เพราะิตใจกายที่มันเป็นรูปเป็นนาม มันก็ตามแสดงออกรูปก็แสดงออกนามก็แสดงออกเพราะมันมีธรรมชาติมีอาการแอนจะตั้งอยู่นานไม่ค่อยได้บางทีเป็นธรรมชาติบางทีก็เป็นอาการเพราะเหตุปัจจัยถ้าเราไม่ตั้งอยู่ไห้ก่อนมันก็เลือเล่อน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 ถเราไม่รู้กลายเป็นสุขถ้าสุขเป็นอาการทุกข์ป็นาการเช่นเวทนาเวทนาทั้งหลายสุขก็เรียกว่าเวทนาทุกข์ก็เรียกว่าเวทนาเจ็บปวดก็เวทนาหิวร้อนหนาวเป็นเวทนาทั้หลายทั้งหลายถ้าสิ่งเหล่านั้นเป็นไปตาม สิ่ที่มันเกิดขึ้นก็มันก็ไม่ได้ต้องอยู่แล้วมันก็ลดเดือนไปแล้วสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์ไปแล้วโกรธเป็นโกรธหลงเป็นหลงถ้าเรามีความเพียรตั้งอยู่มันก็ไม่ไปเราก็เห็นได้ปัญญาได้ความเฉลียวฉลาดรูปมนโชมันบอกมันเปีองนี้อ่ามันหลงการที่จะหลงกันหลงเราก็รู้ซะ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 แล้วก็งมืวันจะเสื่อมลงให้รู้หลงก็ไม่ลูกโกรธก็ไม่ลู้ทุกข์ก็ไม่ลู้มันก็สนุกชัาไปไม่ได้ตั้งอยู่ไปเป็นเรื่องมากมายเป็นสุขเป็นทุกเกิดเจ็บเจ็บตายในความหลงก็มีพบชาติเกิดเจ็เจ็บตายในความโกรธก็มีความเกิดเจเจ็บตาย นี่ว่าเกิดดับเกิดดับอาการเกิดดับของรูปนามในความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ตัวไม่เที่ยงก็ชดให้เรามีความเป็นทุกข์ตัวเป็นทุกข์ก็ชดพาให้เราเป็นความเป็นทุกข์ตัวไม่ใช่ตัวตนก็ชดเราไปให้เกิดความเป็นทุกข์ถ้าเรามีความเพียรมีศรัทธาก็ได้ประโยชน์ แต่ความทุกข์ก็ม่ทุกข์เลยฉลาดกลายเป็นมรรคเป็นผลได้ถ้เราไม่มีศรัทธาไม่มีความเพียรเลือเลือนไปหมดเลยลกกรูปกนลูเลือนไปนามจิตใจความรู้อะไรได้กลเรเลือนไปหมดเลยไม่ได้ประโยชน์ ในโกกูปกาเป็นทุกข์มีปัญหามีน้าก็มีปัญห า, า, ป, ญหาปัญหาในตัวเองไม่พอปัญหาคนอื่นเชงนเดีวัตทุก่นแ้าเรามาศึกษามาปฏิบัติมีศรัทธามีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญามันก็ใช้งานได้ได้ประโยชน์จากรูปจากนาม้ม ถ้าเราไม่ศึกษาก็มีแต่ทุกข์แต่โทษถ้ารูปถ้านามมันโชว์ไม่เห็นเนี่ยมันสนุกมันเป็นทัศนานุตริยะเห็นเมื่อเห็นแล้วก็มีปฏิปทานุตริยะเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปทำสิ่งห้เป็นดีมีปฏิปทาไม่ปล่อยทิ้งความหลงก็ไม่ฟรีได้ประโยชน์จากความหลง ได้บทเรียนจากความหลงเพราะเรามีตัฐามีความเพียรตั้งอยู่ก่อนแล้วอะไรที่มันเกิดขึ้นมีความเพียรเปลี่ยนได้แก้ได้เปลี่ยนได้ความหลงกลายเป็นความรู้ได้ความโกรธกลายเป็นความรู้ได้ความทุกข์กลายเป็นความรู้ได้ต่อยอดได้และยอดใหม่ ความโกรธเป็นความไม่โกรธแตยอดใหม่ความโกรธเป็ความโกรธไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์เพิ่มทุกข์แต่ยอดใหม่คือความไม่ทุกข์มีสติเห็นแย้งเมื่อรูปนา ม, มาแสดงจนหมดเปลือกเราก็เรียนจงจบได้แต่เราเื่อมก็เกิดขึ้นผ่านศรัทธาผ่านความเพียรผ่านสติ ผ่านทางสมาธิผ่านปัญญาเหมือนกับการกรองเป็นเครื่องกรองและเกิดความสะอดบริสุทธิ์เหมือนเครื่องกรองน้ําผ่านไปจนไม่เหลือหลอความสปกปรกไปจดความสะอาดหมดจดให้ได้มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อผู้ดีได้จากการกรอง เดียวว่าชีวิตใหม่ในน้ำใหม่เรียกว่านาวัชีวันชีวิตใหม่เอี่ยมที่ว่าพร้อมมจันร์บริสุทธิ์บริบนรสิ้นเชิญอัตลึกซึ้งในหัวใจของผู้ปฏิบัติเป็นปจัจจตังพยัญชนะว่าผู้โชกันฟังก็นี่มันเป็นอย่างนี้ ตัวหลงเป็นอย่างนี้กรมรูปเป็นอย่างนี้จะมาแสดงเป็นกรรมฐานยกมือเข้ารู้สึกก็หนุ่ยออกรู้สึกเป็นการสาธิตเป็นรูปธรรมตรวจนองมาทำไม่มองไม่เห็นกันจะไปนั่งดูกันเฉยๆก็ไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายเมื่อเราไปเรียนหนงังสือ ตาลู่ลังซื้อเป็นสารคนก็เขียนออกไปให้คนได้เห็นนี่ก็ไข่ขอไข่ขอไข่ขอขวดอ่านได้อ่านออกได้ประโยชน์มีความหมายเครื่อหลงมีความหมายเพื่อโปรดมีความหมายอ่านออกแล้วนี่คือหลงไม่เหมือนลู่ตัวลู่มันต่างหากหนหลงมันต่างหาก เหมือนเราเขียนเหมือนเราทําคณิตศาสตร์ห้5 2เป็น9มันไม่ถูก5 2มันต้องเป็น10ใช่ไหม5 2มต่ำไป10งั้นมันก็ไม่ถูกใช่ไหมนี่มันบอกผิดถูกคนปกผิดถูกที่เป็นเป็นปนระวัติสภาวัธรรมไม่ใช่ความคิดไม่มีคําถามมีแต่คตําตอบ ตัวเองต้อตอบเองโงกับรูปเป็นยังไงโกรธกับไม่โกรธเป็นยังไงโกรธกับรูปเป็นยังไงเรียว่าทำได้ทำเป็นสิ่งใดที่มันเกิดจากผู่จากนามทำเป็นหมดเรียนจบได้จนมันไม่มีโอกาสแส ด, ดงแสดงแต่ก็แก้ได้พิภาคษาได้จืดได้เหมือนโจ์เหมือนจำเลย ถ้าโจดแข็งจำรวยอ่อนแอล้วก็ติดคุกมีค ด, ดีตกจบองคุณผ่องถือหลงโทษจำหานชีวิตตายไปตายพระความหลงตายพระความโกรธตายความทุกข์ความไม่ทุกข์ความไม่หลงความไม่โกรธมีอยู่แต่ว่าไม่มีปัญญา เหมือนกับจเลยโอนแต่ไม่แค่ต่างการแค่ต่างหรือว่ากรรมมัดผ่านมันมีวิชาอยู่หลงเราก็รู้ซะมีหลักฐานนี่มือเราเคลื่อนไหวอยู่นี่กลับมาได้มันคิดไว้มันสุขกลับมาได้อ้ามันคิดไปอ้าวมันไปทางตาของกลับมาเวลานี้ ไม่ใช่มานั่งคิดเวลานี้มามีศัทธามีสถามาแล้วออกหัวจากเดือนไม่เกี่ยวข้องด้วยว่าเดือนแล้วออกจากท่านมาแล้วนราไม่ใช่มานั่งคิดถึงขครรู้สึกตัวกลับมามันก็มีอะไรถ้ามันไม่สึกรู้สึกตัวมันก็เป็นตัวไป็นตนหอบหิ้วเรไป เป็นกิเลตัณหาหลาคาได้ความโกรธโรลภหลงลายมันเกิดดับเกิดตอบสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นไม่จริงไม่ใช่ตัวใช่ตนหอ่อพิวไปไม่ใช่ตัวใช่ตนทำตามบางทีก็ผิดพลาดเสียผู้เสียคนเสียเรียย เสียเปียบความหลงเสียเปียบความทุกข์เสียเปียบความโกรธทั้งๆ ท, ท, ท, ที่มันไม่มีอะไรมันไม่มีหรอกเราเห็นอะไรเราก็จบคือไม่เป็นอะไรความโกรธไม่ได้มีความหลงไม่ได้มีความทุกข์ไม่ได้มีอันที่มันไม่มีไม่เป็นมันมีอยู่คือ ท, ทำอย่างไรตามตามพระเจ้าพระเจ้าเห็น เราเห็นแล้วเห็นมีความรู้ตามความเป็นจริงเราเห็นเรามีความรู้ตามความเป็นจริงเราทำอยา่างนี้ทำอยา่างนี้ทุกเราเห็นแล้วรู้แล้วเห็นแล้วเราไม่เป็นไปกับความทุกข์เราทำได้แล้วครับแล้วนั้นก็ทำแล้วทำได้แล้วทุกเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุกพ้นจากทุกเราทำได้แล้ว มันความจริงเป็นอย่างนี้หลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงพ้นจาความหลงทำได้แล้วนี่มันเป็นจริงอย่างนี้หลงเป็นหลงทุกข์เป็นทุกข์โกรธเป็นโกรธไม่จริงเลยเสียเวลาอะไรที่มันเกิดขึ้น ก, กับรูปกับนามเนี่ยมาเถอะแต่พิพาคษาให้ดูเพียนได้แช้ได้ทั้งหมด จนไปถึงควมเกิดก็มีความไม่เกิดมีพลังความแก่ก็มีความไม่แก่ความเก็บก็มีความไม่เก็บความตายก็มีความไม่ตายใครว่ามันขาดปัดไปเลยเอา้าอะไรที่มันช่วยขันห้าโชว์แลบ้างบางสิงที่เกิดขึ้นกับลูกบอลน้ที่มันเป็นอาการธรรมชาติ หมดเปกแล้วจิดไปแล้วเหมือนเราเห็นมันเล่นกลเห็นคนเล่นกลแต่ก่อนเราไม่รู้ลึกซึ้งเชื่อน้อมไปตามเหมือนเขาแสดงนครนิยายต่างๆใจแล้วก็โ อ, อนอ่อนไปตามเขาเอาหาัวเราะอาหัรากับเขาเขาลองให้ก็ลองให้กับเขา วันที่ถ้าเาไม่พุกัเป็นจริตนิสัยเจอกล้อะไรก็เป็นไปตามสิ่งเหล่านั้นเป็นจริตนิสัยฝัง ย, ยิ้มขอเรามันรับใช่เลยมากลาค่าจริตกลายเป็นลาค่าจริตง่ายที่หลงก็เป็นโมหจริตง่ายที่โกรธก็เป็นโภสจริแตแง่ายที่จะลูกก็เป็นพุทธจริต มันลูกหรือมันลงลบทันเองแต่มันโชว์มันก็หมดเหนือทุกอย่างเห็นทุกอย่างตามควาเป็นจริงมันก็โชว์จนหมดเผือกลูกดาวขันหน้าก็โชว์สุดท้ายก็แสดงถึงขันหน้ามีลูกเวทนาสัญญาสังขารเหมีนยาเหมือนคนหน้าคนทำงาน ขยัคนละแบบรูปกัวเป็นรูปจะแดงออกทั้งกัวเป็นรูปที่เสมอมีรสชาติรูปตาเห็นก็เป็นรูปหูได้ยินก็เป็นรูปจมูกได้กลิ่นก็เป็นรูปรูปมันไม่ใช่รูปมหาพุทธลูกรูปที่เป็นอุปทานอุปทาจะรูปมรรคธรรมแทนที่ของมัน เวทนาก็แสดงถึงออกให้เป็นเวทนางั้นจะแสดงสุขให้เป็นสุขทุกข์ให้เป็ น, น, น, น, ปนทุกข์สัญญาก็ขยันแบบเก็ขบข้อมูลบันทึกให้ในความสุขมันก็บันทึกในความทุกข์ก็บันทึกในความรักความชังมันก็บันทึกไว้ สังขารยันปุงเหมือนปุงเหมือนช่างปัน้นโมหยุดไม่เป็นกุ้งอยู่เรื่อยวิญญาณก็ติดลรววมดทั้งกดต่างอดต่างทำขยันเหมือนกับก้มหน้าเสกันเราเห็นความขายันของกันหน้าตามความเป็นจริงแต่เราเป็นผู้ดู แต่ก่อนเราไม่เห็นมาเลยมหาเปิดลูกเห็นในรูปในนามแต่อุปทายลูปกเห็นขันธ์หน้ามันโชว์นะแล้วก็ดูดูแล้วก็ว่าคิดว่ามันจะหลอกเราได้รูปมันจะหลอกเราเวทนามันจะหลอกเราสัญญามันจะหลอกเราสังขารมันจะหลอกเราวิญญาณจะหลอกเราแล้วก็ดูกลายเป็นเรื่อง กลเป็นเรื่องโมโมฆะมันหลอกไปหน่อยแสดงแล้วแสดงเอกมันก็หลอกไปเละสนุกให้สุกบปนฉุกทุกเป็นทุกเป็นไปมได่ดาแม้ไม่มีอยู่ก็เห็นจากอุบาาขันที่เป็นอุบทานเรียว่าอุบายะดูเป็นรูปที่เกิดจากขันหน้า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 เดึงมันก็มีสองทางใช่ไหมดึงยางออกมีสองทางใช่ไหมื่อมันขาดแล้วไปไหนหดเข้าตัวสู่ธรรมชาติไม่ไม่เป็นอย่างนี้หดมันมันเลิกเลิกห ล, ลากันแค่ไม่นหรือเปียบเหมือนนึงแก้วมันแตกเหมือนกับใส่น้ำดี เอาน้ำใส่ก็เป็นลูกแก้วเอาอะไรใส่ก็เป็นลูกวันนั้นน้าที่มันแตกภาชนะมันแตกภาชนะมันแตกออกนั่งก็ใส่น้ามาอยู่โฮจะใส่น้ํามันจาได้เปิดมันก็แตกออกเวลามานก็หดเข้าตัวของไฟของเราเราจะไม่ใช่มันแตกมันใช่มาได้ มันแช่ไม่ได้เหมือนกับว่ามันแช่ไม่ได้แล้วขันหน้าที่ไปดูอระานแช่ไม่ได้แล้วลิกลากันเลยอนหวงวโเทียนพูดว่าเชือกมันขาดวัดตต่แต่ก็อศุกร์ไปศุกไปทางนี้ทุกไปทางนี้กวดไปทางนี้ไปอย่างนี้เราไปพดัดกัน มันขาตตรงกันแล้วก็ใช่ไหมได้ให้สุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์โกรธเป็นโกรธรักเป็นรักเกลียดเป็นเกลียดเจ็บเป็นเจ็บเแก่เป็นแกตายเป็นตายเป็นไปไหมได้มันใช่ไหมได้มันไม่เป็นอะไรชีวิตเนี่ยเวลามันไม่ไม่ไม่ใช่มันก็อยู่เนี่ยแต่เวลาใช่มันก็อยู่เนี่ยมันใช่ไหมได้ถ่มคืน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 นั่นก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่เล 1, 5, ตพันห้าตัหารอยแปดมากมายนาือตัณหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่เลเพราะมันทำขึ้นมาเหมือนน้ำที่มันไม่ขึ้นพื้นไม่ใช่น้ำเราลู้ตามความเป็นจริงขึ้นม่ใช่นน้ำ น, น้ำไม่ขึ้นชีวิตมันไม่เป็นอะไร ไม่ใช่มีความเกิดมีความแก่ความเสี่พ้นตาชีวิตจริงๆมันได้ยอดใหม่ได้ยอดใหม่หมเลยไม่ต้องเป็นอะไรนี่คือชีวิตนี่คือชีวิตพระเจ้าจังว่ามันมีอยู่ความดับควาดือแห่งทุกข์มีอยู่มันมีอยู่เรารู้ตามความเป็นจริงไปอย่างนี้ แต่ก่อที่จะเข้าสู่ที่แท้ก็ไม่มีแต่มันมีไปกลับเขียนมาไม่ไม่มีอะไรก่อนที่ไม่มีอะไรต้องไปต้องมีการกระทําไม่ใช่ว่านั่งอยู่ไม่มีอะไรเลยว่าไม่มีการกระทํำมีศรัทธานี่เพราะมันอะไรบางที่มันมีแล้วในคิดเราแล้วมีความหลงหลงคืนหลง ร้อนเป็นร้อนหนาวเป็นหนาวหิ ه, ว, caffeine, ว, ug, Kumar, latego, ว io, me, Sophie, เป็นหิวปวดเป็นปวดเราจะมาเห็นแต่หลงเป็นหลงร้อนเป็นร้อนหนาวเป็นปวหนาวปวดเป็นปวดอะไรนั่นที่มันมีอยู่มันเป็นอยู่เราจึงมามีการกระทำมันจึงกลับมาชูมันก็ทําแล้วได้ทําแล้วได้ทําแล้วทําได้แล้วเห็นแล้วรู้แล้วแกล้งแล้ว มันก็เลยจึงว่าไม่เป็นอะไรเพราะมันทำแล้วมันจึงไม่มีอะไรเหมือนมือที่เรากรมอยู่เราวางแล้วก็ไม่มีอะไรแต่ก่อนมันก็สุกเป็นถูกสุกคืนทุกอะไรเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งหมดแบบ น, นี้มีแต่เห็นไม่เป็นเลยบอกว่าไม่เป็นอะไรกับอะไเนีไยผู้มีปัญญาทั้งหลายลอง ศึกษาดูมีสติร้อยเปอร์เซนทุกชีวิตถ้าพลิกมือขึ้นรู้สึกว่ามูอรู้สึกเรียกว่าใช่แล้วใช่ได้แล้วใช่ได้แล้วถ้าพลิกมือไม่รู้สึกยกมือมารู้สึกอาจจะเป็นบอดไปจนแล้วแต่ไม่ค่อยจะมีเว้นไว้แต่คน บ้าที่มันทำไม่เข้ารู้คนบ้าแต่บางก็ดีกว่าเราหลายอย่างงูกัดเขาไปตายกินตั้มตะคลองง้มเน่าเน่าใยตลาดมันก็ไม่เป็นอะไรใช่ไหมแล้วตาจะเหนคนบ้าระกอบกินน้าในตะคลองเฉยวเฉีวก็ไม่เป็นอะไรมันมีเลือดที่มัน ที่มันบ้าอยู่แล้วมันก็ไม่เป็นอะไรเพราะใหญ่หนึ่งเป็นบ้าใส่เป็นเด็กแล้งควยด้วยกันไปจุกลูงูห่ามันอยู่ในลูก็ ง, งูเกิดอาบเลยมูกิดมูกิดมูเกัดมูกั ด, กดพวกเราเรียนเด็กไปขุดดูมีมูห่าอยู่ในนั้น ถ้าเป็นคนไม่บ้ากับเปื่อยมันปวดแต่เขาอยู่เฉยอคนบ้าเฉยไม่เป็นไรเลย <c oughs> ไปเลี้ยงควายกบกิน น, น้ำขุนๆน้ำเหม็นขี้ควายขี้ควายก็กินเลยพาที่ได้กอบได้เขียดมาเอาใส่ไฟทั้งเอามากินทั้งเอาใส่ไฟกินข้าวกับกบเขียดที่เอาใส่ไฟแล้วปีเอามากินดิบๆก็กินได้ แต่เราเปนคนดีกินไม่ได้นี่เราจะทําเป็นอย่างนั้นไม่ได้เด็กขาดหลงแค่เป็นหลงไม่รู้อะไไม่ได้ไปทุกข์ไปโทษไปกินน้ำเน่าเน่าก็ต้องตายแน่นอนงูเห่ากัดต้องเก็บปวดมือขดัดหรือตายไปก็ได้เน่าหลงถ้าหลงเป็นหลงไม่ไ ด, ด้ที่เป็นชีวิตของเราถ้าหลงก็พาไปไกล คนบ้าเขาหลงอยู่แล้วน้าคนดีถ้าหลงก็ไปไกลนะเป็นเปรตเป็นสุกรเป็นสัตว์ลกเป็นเดรัจฉานไปทอนทุกเป็นทุกข์ก็ไปเป็นนรกไปโน่นมันมีกลุมอย่างนั้นรษศเสตโตหน้าตาเป็นมนุษย์แต่ชีวิตจิตใจมัเป็นเปรตรัศเสเดรัจฉานโนหน้าตาเป็นนุษย์แต่จิตใจไม่พัฒนา โอ้เงาเป็นอสุรกายรสเทวนาถเป็นรสผุดขจิตใจจนเป็นเทวทัตวิหนธรรมเป็นอินเป็นพรมเป็นพระน่าพึงพานธ์ถ้าไม่พึงพันธ์ก็ไปทางต่ำจึงมีศีลมีธรรมมีความเพียรความถูกข์มาฝึกานดให้ได้ประโยชน์จากความหลง มาเป็นความรู้ถ้ามันหลงนะไม่เคยรู้ให้มันได้ความรู้ขึ้นมาปฏิบัติธรรมคือดูแลตัวเองให้มันคุ้มอย่าไปทำให้มันยุ่งยากการดูแลตัวเองเนี่ยมันน่าจะนั่งยิ้มยิ้มดูมันอาจจะเคลื่อนมือเล็กๆน้อยๆมันหลงเห็นมันหลง มันง่ายๆถ้าหลงเป็นหลงเ้ยไม่ชอบแล้วไม่อยากให้หลงก็หลงอยู่ัน้นเครื่งซ้านเป็นของรากไม่ชอบอยากนั่มาสงบมันมีผิดมันไม่ถูกไม่ใช่นักปฏิบัตินะถ้าเป็นเช่นนั่นมันจริงพบขึ้นเขาวัมืนชา ไม่เห็นเฉยๆเนี่ยนะดูเฉยๆวิมวิมดูมันมันหลงเห็นมันหลงไม่ได้หลงไปกับความหลงมันผิดเถอะมันผิดไม่ได้ผิดไปกับความผิดมันถูกไปมันถูกไม่ได้ถูกไปกับความถูกมันทุกข์ไปมันทุกข์ไม่ได้ไปกับความทุกข์มีแต่รู้อยู่เนี่ยง่ายง่ายจิงคุกหลงโผ ไม่ใช่ผิดไม่ชอบถูกจึงชอบหลงไม่ชอบโล่งจังชอบสงบเป็นเรื่องชอบไม่สงบไม่ชอบไ ม, บไม่จะให้มีความชอบไม่ชอบที่ว่าปฏิบัติัจฉามเป็นตูเป็นมักมันไปกลางๆนะ่ะไม่มีอย่างนี้ไม่มีสร้างไม่วัวบเนยเห็นมันหลงเห็นมันไปแล้ว มันผิดเห็นมันไปแล้วตรงปฏิบัติตรงแล้วอปแล้วมันมีนะตอนที่มันไปขวัวไป้ายมีน ะ, ะถูกก็ไปทางขวาาัวซะชอบก็ผิดก็ไปทางใช้ซะไม่ชอบชีวิตบวกลบอย่างเนี้ยเป็นอารมณ์ของปุตชนนะถ้าจะบอกว่าปุตชนนะถ้าเป็นเนี้ย เป็นบวกเป็นลบอยู่เนี่ยข้าพเจ้าไม่มีบวกไม่ลบเป็นซุกเป็นซุกทุกเป็นทุกปุตุชนให้สุกมีอำนาจให้ทุกมีอำนาจอาจารย์ให้หลงให้โลหล ง, ลงเหตุมันหลงไม่ได้เพียลไไม่มีรสชาติเลยในความหลงของมันมันมีแต่เห็นไปเนียยิ่งใหญ่นะแต่ว่าที่ปฏิบัปธรรมมันอาศัยได้จริง มันเป็นแต่เหมือนกับพ่อแม่บ้านพ่อบ้านแม่อยู่กับผมรู้จึกตัวเห็นเนี่ยมันอยู่กับบ้านพ่บ้านแม่ทำย่อมรักษาผู้พุทธธรรมไม่ตกเป็นที่ชั่วตามผู้พุทธธรรมย่มอมดูเป็นศุขขึ้นไปจน ไ, ไม่เป็นอลไรผ่านมันมีแต่ผ่านไป การผ่านในมันมันเป็นจุดหมายปลายทางจ้า ว, วิมุตต์ภพเมจันของเราคือวิมุตมต์การหลดพ้นการผ่านไปนะไม่ใช่อันเดิ น, น, นการผ่านตรงไหนมันหลงเหียุมันหล ง, หลงไปแล้วไปแล้วมันโกรธเท่มันโกรธไปแล้วไม่โกรธมันเป็นผู้กรธมันทุกข์เป็นผูทุกข์ปล่อยแล้ว ไปจากนะไปจากข้าศึกกระหังผูไก่อยจากข้าศึกหาย ไ, ไวิถีที่ปฏิบัติธรรมมันไปมันรู้เนี่ยก็ไปแล้วพอจะมาถึงความรู้สึกตัวเนี่ยมันผ่านอะไมาแล้วก็ที่มารู้สึกตัวมันผ่านเลยขงรู้สึกตัวคืออะไรมันทําอะไรมันละอะไรมามัน เป็นศินเป็นสมาธิเป็นปนัญญาแล้วให้มีความรู้ทุกตัวเป็นสินชิขาทะหลงแล้ว ย, ววว ย, อยว่อยแล้วไม่ใช่ศินสมองฐานเป็นสินชิขาทะหลงว่งหลงย่อยรู้แล้วย่อยแล้วนอยความรู้เหมือนทะหลงแล่โผลเพื่อนมา ถ้าหลงออกในเนื้อแล้วความหลงได้ไม่หลงความโกรธได้ไม่โกรธได้ความรู้ความรู้ได้ความรู้ความอะไรต่างๆปัญหาได้ปัญญาไปเรียกว่าสิสขาและทำเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตชีวิตของเรากเกิดอยู่บนนี้ได้สิกขาและทำเลี้ยงชีวิตผมไมจันยร์ชีวิตที่เป็นรูปเป็นนามได้จากข้าวอาหารดาวาเลงกะลาอาหารหารคือคำข้าว พัฒนาอาหารฝึักดิโตมาตั้งไหนวิญญาณาอาหารวิญญาณป้อนวิญญาณอาหารสิขาได้ทำเป็นเครื่องแดงชีวิตของภิกษุต้องหลอยผู้เห็นภัยในวัฏฏะภิกษุคือผู้เห็นภัยในวัฏฏะเวือนว่าตายเกิดหลงจีข้างจีหนโกรจีข้างจี่หนเหวียนอยู่ตรงนั้น ไม่ขึ้นฟังผู้เห็นภัยต้องขึ้นฟังหลงต้องไว้หลงเป็นจิขาและทำเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายผู้เห็นภัยในวัฏฏะหรือสตินี่แหละที่ทำไมไม่เป็นอะไรคือสติไม่มีไม่เป็นอะไรคือสติสตชานนั้นสูงสุดคือสติริมุตตันสูงสุดคือสติ ที่เป็นสติปัฏฐานไม่ใช่สติธรรมดามันไปสติปัฏฐานที่เนี้ต้องมีสถทาในความเพียรมีสติมีส่วนประกอบหลายอยา่างไม่ใช่ยู่ๆจะมาทำเป็นปัญทาทำไม่เป็นมันหลงรู้ไม่เป็นมันโกรธรู้ไม่เป็นมันทุกข์รู้ไม่เป็นทำไม่เป็น เร า, าหัดให้มันเป็นใช่ไหมที่แรกถ้ามันเป็นเราก็ไม่ต้องหัดเนั้นเราหัดก็หัดกว่าที่แรกก็ต้องหัดมันหลงไปกลับมาโดยวิชากรรมฐานอาศัยวิชากรรมฐานนี้เป็นก็จะบว่าทฤษฎีหรือปฏิบัติกายะและปัจจนาสติปัฏฐานพี่น้าเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำไม่เห็นกายมีสติเห็นกาย ก, ายก็เห็นสุขเหนทุกไม่ต้องไปว่าก็ได้ เวทนาะจิตธรรมไม่ต้องไปว่าก็ได้ถ้าเห็นกายอยู่ในกาย ก, ายก็เห็นมันสุขก็เห็นนั่นอะไรก็ไเวทนาะแล้วมันคิดก็เห็นมั น, มนสงบมันทุ่งซ่านเห็นมันเป็นในวรน้องงอนอ น, นเห็นน่ะเห็นธรรมทั้งหลายกุศลก็มีอกุศลก็มีถ้าดูตรงนี้มันก็เห็นอนุนไม่ต้องไปว่ากาย เจาก็การไม่ใช่จดบุคคลตัวตนเราเขาเวทนาเว้าเวทนามาใช่ไปไล่แบบนั้นถ้าเป็นภาพปฏิบัติมันสรุปมาทั้งหมดนี่จิเห็นกายอยู่เนี่ยรู้อยู่เนี่ยมันปวดเห็นมันสศกเห็นมันร้อนเห็นมันหนาวเห็นมันทุกข์เห็นเวทนาธนรกลับมาเนี่ยมันรู้มันคิดอะไรมันสศกกลับมาเรียกว่าทําแล้วกับเวทนามันคิดไปกลับมาทําแล้วกับกบจิต อังกว่หัวนอนมันคิดฟุง้งซ่านอะไรกลับมาทําแล้วกับทำทั้งหลายทั้งหลายทั้งหลายมันเป็นธรรมเกิดมรู้สึกตัวทั้งหมดรวมมอจุตันุนี้ทั้งหมดเลยมัใช่คนอ่านเหมือนกับย่ารักษาโลกปวดท้องต้องใช้อย่างนี้ปวดหัวต้องใช่แบบนี้แต่ว่าปฏิบัติมาเดียวเนี่ยกลับาเนี่ยมันโฉกกลับมาลูกมันคิดกับมาลูก ทั้งหมดคือกายเวทนาจิตธรรมเป็ น, ปนทฤษฎดีและ ป, ปฏิบัติตง่ายๆอย่างนี้กรรมมม่เดียวอย่างนี้รวมอยู่ที่นี่กพรกรรมฐานจึงจึงเป็นวิชาที่ทำให้เกิดพระพุทธเจ้าคือเนี่ยผู้แขนเข้าเหยี่อฉันออกเราหม่ทำตามพุทธเจ้าที่ทำมาอย่างนี้ไม่ใช่เราหมาอสร้างขึ้นมานเอง วิสุทกันดูนะ